ก็นานพอที่จะให้ทุกคนตั้งสติเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมแต่ไม่นานจนถึงขนาดที่จะให้ใครนอนเปลื้องผ้าผึ่งแดดได้ทำไมครับอยากอาบน้ำเสียก่อนสักมื้อหนึ่งกะมังเปล่าหล่อนกระชากหางเสียงหุน่นทวนที่ถามก็เพราะอยากจะแนะว่าในระยะเวลาสั้นๆที่เราพักกันอยู่นี่คุณควรจะถางป่าใต้คางออกสิ บ, บ้างป่ารอบด้านมันรกน่ากลัวอยู่แล้วอย่าให้หน้าของคนนาทางเป็นป่าไปด้วย มันไม่จาเรินตาสำหรับนายจ้างรพินรูปที่ตอบแก้มอันเขียวคลึมไปด้วยคาวดกเลิกคิ้วมองดูสวดทรงองอ่อนที่ยืนอยู่ตรงหน้าขอโทษที่จ้างมานี่นะ่จ้างมาเพื่อความจาเรินตาหรือว่าจ้างมาเพื่อให้นำทางก็จ้างมาให้นำทางนะสิแล้วหน้าผมจะเป็นป่ามันทำใหบ้บริการตามสัญญาจ้างเสื่อมสมรรถภาพลงงั้นหรือ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 เกิดมองเห็นหน้าพรานนำทางกลายเป็นหน้าเสือหรือหน้าหมีไปอุปัตวะเหตุจากการยิงเพราะเข้าใจผิดก็อาจเกิดขึ้นได้วิธีปลอดภัยที่สุดก็คือทำหน้าเกิี้งเกลี้ยงเหมือนมนุษย์ปุตชนธรรมดาสังเกตเห็นจำได้ง่ายๆดีกว่าจอมพ่านหัวเราะ อ, อยู่ในรำคอผมไม่เคยพกมีดโกนในขณะออกป่าไม่เป็นไรฉันแก้ปัญหาให้ได้อา้าวจัดการเซียพร้อมกับพูด หล่อนเอามือที่ควายหลังออกมาเดาะเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าที่ใช้ฐานแบตเตอรี่แล้วโยนมาให้แล้วพินรับไว้ผิวปากหวือนี่คุณหญิงพกเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าติดตัวอยู่เสมอหรือบ้าของพี่ใหญ่呀ฉันขอยืมเข้ามาให้โทนำคารลูกนิตายู่ไม่ไหวว่าแล้วหล่อนก็ผ่าไปรวมกลุ่มอยู่กับเชษฐาและชายยานันแล้วพินหัวเราะหึ่หึ่อยู่เช่นเดิมจัดการโกนหนวดคาวออกจนเกลี้ยงกล่าวในระยะเวลาันรวดเร็ว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 มันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับหล่อนสักนิดซ้ำยังเข้าใจขู่ว่าหล่อนอาจเผลอยิงเอาเข้าเอาเขาเข้าเพราะเข้าใจผิดมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาทนเสี่ยงกับคำขู่แบบแผลงๆของผู้หญิงร้านๆชอบเอาชนะอย่างหล่อนใครจะรู้ได้ขืนดื้อไม่ยอมโกนหล่อนอาจแกล้งยิงเอาจริงๆก็ได้ไม่โอกาสใดก็โอกาสหนึ่งแม้จะเป็นการแกล้งยิงแบบคู่เพื่อให้คำสั่งของตนสำฤทธผล เขาก็ไม่ต้องการจะทดลองไม่กี่นาทีหลังจากนั้นภายใต้การนําของรพินทั้งหมดก็ลุยข้ามลาธารแคบๆตามรอยเมฆหิสาตัวนั้นไปซึ่งทิศทางก็คือหนทางที่คณะทั้งหมดเดินผ่านมาแล้วเมื่อเย็นวานนั่นเองอากาศในเวลาเช้ากําลังสดชื่นเย็นสบายสะดวกแก่การเดินอย่างยิ่งรอยของมันแสดงว่าเดินอย่างสบายไปตามทางด่านไม่ได้บุกแหวกเข้าฟง และจริงตามที่ระพินบอกไว้มันเดินขึ้นเนินเรียบไปทางไหล่เขาเตี้ยๆแล้ววกหลงสู่ด้านตะวันตกของลูกเขาบ่ายหน้าย้อนกลับไปทางป่าน้าอันแน่นทึบซึ่งเป็นชายภูมิที่มันหลบเข้าคุมเชิงอยู่เมื่อพบค่ําของเมื่อเย็นวานรอยซึ่งใหม่สดๆร้อนๆฟ้องอยู่ชัดจนดูเหมือนว่ามันเพิ่งจะเดินร่วงหน้าคณะติดตามไปไม่กี่อิดใจนี่เองหินเล็กๆบางก้อนที่มันเหยียบพลิกไว้ ยังปรากฏรอยดินที่ชื้นและกิ่งไม้บางกิ่งที่ถูกกระทบหักอย่างยังออกซึมซึมก่อนจะลงจากเนินขับไล่เขาระพินเกิดและแง่ทรายช่วยกันตรวจทิศทางลมส่วนเชษฐาปีนขึ้นไปบนโขดหินลูกหนึ่งใช้กล้องสองทางไกลส่องสำรวจลงไปยังระเมาะสลับไปกับทุ่งแฝกเบื้องร่างติดต่อกับป่าน้ำดาดินกับชายยานก้มลงสำรวจพิจารณารอยตีนของมันที่เหยียบดินอ่อนไว้บริเวณหนึ่ง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 ปัดเดี๋ยวยุ่งยากในเวลากระทันหันเชี่ถารอบคอบเตือนขึ้นพรานใหญ่ซุดตัวลงนั่งคุกข่าวกับพื้นใช้กิ่งไม้สเก็ตข้าวๆเป็นแผนที่ลงกับพื้นดินทุกคนมุงร้อมมีอยู่สามทางสำหรับมันในขณะนี้คือหนึ่งหลบซุ่มอยู่ในป่าน้ำสองออกทางทุ่งแฝดด้านซ้ายมืออันเป็นทางใต้ลมและสข้ามฐานขึ้นหุบทางด้านขวามือทางด้านเหนือรมแต่ผมอยากจะเชื่อว่า ถ้ามันจะออกจากป่าน้นํานี่มันควรจะออกทางด้านตามลมมากกว่าคือทางซ้ายมือออกทุ่งแฝกเมื่อมันถึงบริเวณป่าน้ํา6คนของเราจะแบ่งออกเป็นสองพวกสมคนบุกเข้าไปทางด้านซ้ายอีกสามคนแยกเข้าไปทางด้านหน้าปล่อยทางด้านขวาอันเป็นทางขึ้นหุบทิ้งไว้ผมแง่ซ้ายชัยยันพวกหนึ่งคุณน้อยกับเกิดอีกพวกหนึ่ง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 เพราะฉะนั้นทางด้านหน้าซึ่งเป็นของรพินพรานใหญ่หันไปทางแง่ทรายผู้จะทําหน้าที่เป็นมักุเทศสําหรับฝ่ายเชิฐาจะพบมันหรือไม่ก็ตามให้ออกมาสมทบกับชั้นทางทางน้ําด้านขวาใครออกมาถึงก่อนเป็นฝ่ายรอคอยเข้าใจไหมหนุ่มกระเรียงพเนจรพยักหน้ารับคําเมื่อนัดแนะเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วรพินก็นําต่ขึ้นเขาเตียเต้ยๆโดยจากทางด่านที่เดินมาแต่เดิม อาศัยทางอุปยพของสัตว์อ้อมลงมาทางชายทุ่งด้านใต้อันเป็นทางใต้ลมหนทางเต็มไปด้วยความลกทึบสูงชันลาบากต่อการเดินอย่างยิ่งกินเวลาถึงชั่วโมงเต็มกว่าจะมาถึงเป้าหมายที่ต้องการทุกคนเหงื่อออกท่วมกายเป็นริ้วรอยไปด้วยน้ำและกิ่งไม้กวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินแต่หล่อนไม่ได้ปริ ป, ป่ากคาใดเลยพี่ชายและชัยยันขอให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ในขณะที่ปีนขึ้นหรือตายลงหนทางชันตำลายเขาครั้งหนึ่งในขณะที่ตายลงมาตามหนทางราด ช, ชันด้านขวาเป็นโตรเขีวดึกกิ่งทถาวันแห้งกิ่งหนึ่งที่หล่อนใช้เหนียวโหนพยุงกายขาดหักออกร่างของหญิงสาวเสียหลักพลิกกิ้งลงไปยังหวาดเสียวโชคดีที่รพินกับแง่ายตายล่วงหน้าลงไปก่อนแล้วทั้งสองหันขวับมาเพราะได้ยินเสียงเอะอะของเชืฐากับชัยยันผู้เห็นเหตุการณ์เพราอยู่เบื้องหลัง พรานใหญ่คว้าตัวดารินไว้ได้อย่างหวุดหวิดแต่น้ำหนักตัวประกอบกับความแรงที่หล่นกลิ้งลงมาและหุนทางที่เทราเช่นนั้นพอพทะหล่อนไว้ได้เขาก็เสียหลักถลายเลื่นเซฆามาหน้าลงไปพร้อมกับหล่อนอีกครั้งพอดีติดแง่ทรายผู้ยืนเอาหลังยันต้นไม้ใหญ่คอยท่าอยู่ตะครุบไว้ได้ทั้งสองคนเลยพากันเสียหลักล้มลงหมดทั้งสามคนแต่ติดอยู่ที่โคนไม้นั่นเองจวนเจียนจะหลุดคอเพลลงไป ทุกคนใจหายจิกคว่มในอุปตวะเหตุนั้นแม้แต่ระพินเองแต่เจ้าตัวคนประสบอุปตวเหตุกลับวิ่งออกมาอย่างสนุกสนานภายหลังจากที่แง่ทายเหนียวแขนหล่อนประยุกให้ยืนขึ้นหล่อนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากไปกว่าถลอกบอกเปิ่กบ้างเล็กน้อยหันไปกล่าวขอบใจพรานใหญ่กับแง่ทายราวกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเชืฐาชัยยันได้เกิดพากันตายตามลงมาโดยเร็ว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 เปล่าหรอกค่าไม่ทันดูให้ถนัดเสียก่อนไปจับเอากิ่งเถวันผุเข้ามันขาดก็เลยเสียหลักพี่ใหญ่โปรดอย่ากังวลไปเลยเรื่องเล็กน้อยอเกินเสียงพี่ชายกับชายยานบ่นพึมอย่างไม่ไวายอกสั่นขวัญแขวในเหตุการณ์เมื่ออึดใจที่แล้วมาระพินสรีหน้าเฉยเฉยรอบชัมเลืองไปทางหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยนักผจญภัยเยี่ยมยอดสติและกําลังใจความกล้าหาญของหล่อนผิดธรรมชาติของผู้หญิงสามัญเอาจริงๆ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 ระพินยิ้มกับซิปขอให้โชคดีนะครับคุณชายฝากน้อยด้วยไม่ต้องห่วงหรอกครับฝ่ายของเชษฐาตัดดาดเล็กๆรับผู้ไม้ไปพรานใหญ่หันมาทางหม่อมราชวงศ์หญิงดารินเห็นหลอนเทน้ำในกะติกรอกใส่ปากดื่มเสียเต็มอิ่มราวกับจะเผื่อไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าแกะหมากฝรัง่งออกมาใส่ปากเคี้ยวพลางเลิกคิ้วส่งมาให้เขา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 แลดูลดยิบยัยับราวกับมองผ่านเตาไฟมหายักษ์ยิ่งใกล้ดงน้ำเข้าไปก็ยิ่งปราจากที่กำบังเพราะต้นไม้ฉลัดใบร่วงโกนเห็นแต่กิ่งก้านว่างเปล่าเหมือนโครงกระดูกกลางทะเลทรายไม่มีวิแววของสัตว์ใดทั้งสิ้นแม้แต่นกเล็กๆสักตัวทันใดนั้นเองระหว่างที่เดินกันมาในลักษณะเข้าแถวเรียงหนึ่งรับผิดผู้สาวเท้ายาวๆแต่เบากลิบอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะงักกึกลงอย่างกะทันหัน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 นิ่งเขาก็ซิบรอดไรฟันออกมาเบาที่สุดแต่ก็เฉียบขาดที่สุดดารินสะกดกลั้นลมหายใจยืนตัวแข็งอยู่เช่นเดิมแต่ละจังหวะการเต้นของหัวใจร่อนเหมือนถูกกดจมอยู่ในนรกสันดาบไม่มีโอกาสนึกคิดหรือทำนายอนาคตได้ทั้งสิน้นแล้พินหนีผ่านท้ายไดยเฟิ่นไว้ในซ่าวแขนลักษณะเดิมปากกระบอกชี้ส้าองศาลงดินเพียงแต่นิ้วเท่านั้นที่สอดเข้าไปแตะอยู่ที่ไกล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 จึงวกลงสู่ลำห้วยเล็กๆอันแห้งผากที่ทอดโอบขอบดงคดเคี้ยวไปมาตรวจสอบทางลมอยู่ทุกระยะการเดินของเขาแผ่วฝีเท้าช้าลงเป็นลำดับในที่สุดก็กลายเป็นย่องกลิบแสงตะวันยามเที่ยงสาดรอดกิ่งใบของเถาวัลย์อันกรอบเกรียมลงเป็นจุดสว่างเรืองรองอยู่ทั่วไปอากาศระอุจนเสื้อเปียกชุม่มราวกับอาบน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับดารินเสื้อราสัผ้าชนิดเบาบางของรอน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 อาจเป็นทางแยกไปของมันก็ได้